ก่อนทุกคนนะทุกราก็มาทำความรู้สึกตัวกันทำความรู้สึกตัว่ะเพื่อจะได้เห็นตัวจะได้เห็นตัวเองอเห็นมาจิงจริงตัวเองมันเป็นแบบไหนคือถ้าทำความรู้สึกตัวนะมันก็จะเห็นตัวตนะ เราเห็ตัวเองือเห็นตัวตนมาแสดงตัวตนอย่างไรนะตัวตนที่อยู่เบื้องหลังการพูดการทําการคิดนะมันมีตัวตนขึ้นหรือเปล่าเป็นตัวตนที่โกรธที่โลภที่รุนหรือเปล่าปฏิบัติทำไปนะถ้าเรารู้สุดตัวเราก็จะเห็นเห็นตัวตนที่มาแสดง กาก ร, รตา่างๆตัวตนนเกิดข้รอะไรนะเราก็จะเห็นมันเกิดข้อความคิดปรุงแต่งนี้เองนะนนเกิดข้อสังขารนนะ่ะคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ทันเราก็ไปมีอุปทานนะยึดมั่นถือมั่นในความคิดปรุงแต่งนั้นกลายเป็นตัวตนความมีตัวตนน่ะยึดมั่นถือมั่น มันก็เกิดเป็นความทุกข์เนชะ่นมันปรุงแต่งคิดไม่ดีขึ้นมานะแล้วก็ยึดว่าเราเป็นคนคิดไม่ดีเราก็ทุกข์ <c oughs> ทุกข์เพราะว่าคิดว่าเราคิดไม่ดีใช่ไหม <c oughs> หรือมันคิดดีมันปรุงสุขเราก็ไยึดว่าเราปรุงสุขเราก็ติดในความสุขมันะก็เป็นความสุข เขาสุขในขนาดหนึ่งแต่พอความสุขมันหายไปเราก็เสียดายมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์นี่แหละคือปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นแน่ช่อวันวันหนึ่งนะตัวตนเขาเล่นงานเขาขึ้นมาหลอกเราบ่อยมากนะเราก็ปฏิบัติไปเขาจะเห็นตัวตนนะเห็นตัวตนบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งรักตัวตนได้มากเท่านั้น เห็นตัวตนขึ้นมาก็าจะเห็นเห็นความยึดถือในตัวตนหรือว่าเพียงแค่รู้ว่ามันมีตัวตนเกิดขึ้นเห็นความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราสักแ่ว่ารู้ว่ามันคิดปรุงแต่งนะหรือว่าเราก็ไปสำคัญนั่นหมายว่านะเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้นั่นผู้นี่ เราเห็นมันเป็นสัตแต่ว่าความคิดนะหรือความคิดนั้นเป็นเรานี่ยรู้สึกตัวนะอ่าเราก็จะเห็นพวกนีเเ้เรียกว่าเห็นผัดตาเนาะตัวตนปัตสาทผัดตานะบางทีก็เห็นมานะนะมานะมานะว่าเราเราเก่งมานะว่าเราแย่นะแต่มานะที่เราเออเราก็เสมอมันก็มีเหมือนกันแะ อันนี้ก็เห็นตัวตนอัตตาเห็นมานะเห็นอุปทานนะความยึดมั่นถือมั่นนะี่ยเห็นความขัความนึกคิดปรุมแต่งต่างๆเห็นอีกตัวหนึ่งนะที่สำคัญนะเห็นตัณหานะลารปฏิบัติธรรมมันจะมีตัณหาเนะหลายอย่างนะส่วอย่างก็คือตัณหาในทางอยากได้เนะี่ยแล้วก็ตัณหาที่อย่างก็ ไม่อยากได้อะไรดีๆก็อยากได้อะไรไม่ดีก็ไม่อยากได้คือปัญหาที่มันเป็นตัวรงการเมื่อมีตัญหามีความอยากมันก็จะเป็นความทุกข์ชาวโลกทั่วๆไปก็อยากได้วัตถุสิ่งของอยากได้วัตถุเพื่อสนองความสุขทางโลก ความอยากได้นะเพื่อสนองความสุขทางโลกกับความจำเป็นต้องมีเพื่อความจำเป็นกับชีวิตมันต่างกัน <c oughs> เรากินข้าวเพื่อความบันความหิวนะเราอยากกินเพื่อสนองกิเลส <c oughs> ต่างกันนะ <c oughs> เราใส่เสื้อผ้าเพราะว่ามันหนาวนะ <c oughs> เพราะว่ามันจะไม่โป๊เปื่อยนะ แต่เราใส่เสื้อผ้าเพราะความเท่เพราะไปอวดคนอืน น, นะมนต่างๆกันนะนะมันเราเราก็พิจารณาได้อ้อบางอย่างเนาะเราก็ไมไ่ทำเพราะความจําเป็นหบอกแต่เราทําเพื่ออยากจ ะ, สะแสดงส่วนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะขึ้นมาเราก็เห็นมันนะเมื่อเราเห็นเราก็ค่อยๆวางลงไปนะเมื่อเราบังตรงไปได้ชีวิตเราก็เบาขึ้นใช่ไหม เบาขึ้นเพราะเราก็ไม่ต้องไปคิดคิดว่าจะต้องไปอวดใครหรือไม่ต้องไปแคร์คนอื่นมากว่าเขาจะมองเราอย่างไรถ้าเราใส่เสื้อนแบบนี้ถ้าเรากินอาหารแบบนี้ถ้าเราไม่แต่งหน้า เ, ออเขาจะมองเราอย่างไรนะไม่มีไม่ไม่ได้ติดความสําคัญในชีวิตเราเลยเออถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะแต่คนทั่วไปก็จะทุกนะทุกขาะคํา เขากลัวก็มองเราไม่ดีนะนีะ่ก็เป็นความทุกข์ละแต่ถ้าเราเห็นจริงๆล้วปัจจัยสี่ก็เพียงเพื่อเพื่อเรียกว่าอะไะเพื่อความจำเป็นของชีวิตนะแต่ถ้าคนหลงก็มันก็กลายเป็นอี่ตัณหานะที่พาเราอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไปนี่ยเราก็จะเห็นตัณหาที่มันบงการ แต่ถ้านักปฏิบัติธรรมบางทีก็จะมีตัณหาที่ละเอียดขึ้นนะอยากดีนะอยากก็รู้นะอยากบรรลุธรรมอยากค้นจากความทุกขนะ์ถามว่ามีกับทุกคนไว้ก็มีนะส่วนให ญ, ญ่ก็ต้องมีถ้าไม่มีก็ไม่มาปฏิบัติธรรมบางคนก็มีทุกขนะ์ก็อยากจะพ้นเร็วๆนะแต่บางทีก็อยากรู้นะเพื่อเอาไปคุยเอาไป อัตตาก็มีนะให้เราดูดีๆนะนะ่ะมันมีความเรียกว่าอะไรมันมีเป้าหมายในชีวิตมีได้นะ่ะเรามีชีวิตยอยู่เรามีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้เพื่อเพื่อจะฝึกฝนตนนะให้เข้าถึงความพ้นทุกข์นะอันนี้เป็นเป้าหมายในชีวิตนะแต่ขณะที่ฝึกฝนตนนะ อย่าโมได้คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงนะหรือว่าไปคอยคาดหวังมือเขี่ยวเข็นตัวเองจนทั้งกลายเป็นความเครียดนะเป็นความอยากออกหน้าออกตาตอนนั้นเราต้องทำด้วยความลืมไปว่าเมื่อไหร่มันจะถึงอย่าไปสนใจมนะันคือสนใจที่เหตุสนใจที่การก ร, รนะทะอย่าเป็นมุ่งที่ผล สิ่งที่สำคัญจริงๆเนะี่ยคือการทำเหตุความรู้สึกตัวเนะี่ยคือการทำเหตุเราทำความรู้สึกตัวเพื่อ <c oughs> เพื่อปลุกปลุกจิตให้มันตื่นขึ้นมาจิตมันหลงมันไหลมันหลับนมันไหลไปกับความคิดจนบางทีมันก็คือตัวมันหลับไปเลย การทําความรู้สึกตัวจริงๆก็คือการปลุกให้จิตมันตื่นตื่นตัวนะตื่นกายตื่นใจนะถ้าเรามีสตินะกายก็ตื่นใจก็ตื่นกายก็กระชับกระเชงนะตามกําลังของเรานะแต่มันกระชับกระเฉงนะคนแก่ก็กระชับกระเชงเับคนแก่เคนป่วยก็กระชับกระเชงเับคนป่วยหนุ่มสาวก็กระชับกระเชงกับหนุ่มสาว มันก็ตื่นตัวนะขยันนะมีความเพียรมีความขยันมีความอดทนนะมันตื่นตัวเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าขี้เกียจที้ทานเนี่ยแต่ว่าไม่ตื่นตัวนะอ่อนแรงเนี่ไม่ตื่นตัวละนะมันตื่นตัวขึ้นมานะที่เราขยันสร้างสติขยันเคลื่อนไหวก็เป็นการตื่นอย่างหนึ่งปลุกให้จิตมันตื่นขยับเค้นมันตื่นเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึก รู้สึกคือไม่ต้องไปกำหนดว่าเช่มนมือเราเคลื่อน้ะรู้สึกเลยนะคือมันเคลื่อนไวก่อนรู้สึกปั๊บ ท, ทันทะีเดินรู้สึกเคลื่อนมือรู้สึกหายใจรู้สึกไม่ใช่รู้สึกนะนกนะนะกนะว่าเราหายใจรู้สึกว่าเราเดินรู้สึกว่าเรายกมือนะอย่าไปเอาความรู้สึกเป็น อยู่ข้างหน้าความรู้สึกมนเป็นกิริยาต้องอยู่ข้างหลังใช่ไหมมันต้องมีการกระทำก่อนการกระทำนะเช่นเนี่ยเดินเนี่ยเป็นการกระทำกิริยาคือรู้สึก น, นี่คือการกระทำเรากระทำอะไรก็แล้วแต่ก็มันรู้สึกตัวในการกระทำนั้นๆ น, น, น, นี่คือเรากินก็เพื่อรู้สึกตัว เดินก็เพื่อนรู้สึกตัวพูดก็เพื่อนรู้สึกตัวหายใจก็รู้สึกตัวนี่ทำความรู้สึกตัวเปในกายอยู่เสมอนั่นเรียกว่ากายยานุปัสนากายก็จะเป็นตัวสร้างสติเป็นตัวปลุกตัวรู้ตัวตื่นขึ้นมาแต่การรู้สึกตัวที่กายก็ให้รู้แบบรู้แบบดมดูว่ะรู้แบบรู้สึกตัวทั่วพร้อม อย่าไปจ้องอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะแต่ให้รู้สึกด้วยความเคลื่อนไหวที่เป็นเป็นอิเลกบอที่ผ่อนคลายเนาะเรื่องที่เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเราทำในรูปแบบนะบางทีคนใหม่ๆพอทำในรูปแบบจะเกรงจะกลัวผิดนะจะจะไปคิดว่า ต้องเดินแบบนี้ต้องยกมือแบบนี้แล้วมันก็จะผิดธรรมชาติต้องหายใจแบบนี้ทั้งที่จริงเราเดินเราเดินในปกติก็ไม่ค่อยเกร็งมากนะเราเคลื่อนไหวมือเราเราหายใจก็ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่พอมาปฏิบัติในรูปแบบมันมันเป็นเก้ะเก๊กลางกเป็นกลัวๆเป็นหึดอัดขึ้นมาแปลว่าเราไปคิดว่าปฏิบัติธรรมต้อง ต้องเดินแบบนี้ต้องหายใจแบบนี้ต้องมองแบบนี้นะต้องคำใจคุ้มคืนซึมๆึแบบนีนะ้เราไปคิดว่ามันเป็นปฏิบททัติธรรมคือทำท่าแบบนี้ไม่ใช่เลยนะท่าทางเป็นแค่สมมตินะยกมือส็บสี่จังหวัดก็เป็นแค่สมมตินะ่นะเดินจมกองกลับไปกลับมาก็สมมตนะิเป็นสมมุติทนะ่า เพื่อให้รู้สึกตัวไม่ใช่ท้าคือคือเป้าหมายท่าทางก็แค่อุเหมือนเป็นอุปกรณ์ เ, เหมือนอุปกรณ์ในการให้เกิดความรู้สึกตัวแค่นั้นเองนะ เ, นเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมชาติเคลื่อนไหวให้ธรรมดาเคลื่อนไหวให้ผ่อนคลายเพราะบางทีเราสมมติมาเราม า, า, มาปฏิบัติธรรมในคอเลเนะี่ยราอาจจะต้อง ฝึกในรูปแบบเยอะนะวันหนึงก็อาจจะเกือบสิบชั่วโมงเลยนะหรือมากกว่านั้นถ้าเราเคลื่อนไหวไม่ค่อยเป็นธรรมชาติธรรมดามันจะเกร็งมันจะเครียดมันจะปวดเมื่อยมากกว่าที่ควรจะเป็นเนะี่ยมันเดินมากก็ปวดเมื่อยแล้วแหละนะแต่ความเกรนะ็งเนี่ยมันทําให้เราเมื่อยมากกว่าเนกะ่าอะนั้นเราเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมชาตินะให้ผ่อนคลายนะถ้าเราเคื่อนเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติผ่อนคลายอนะ มันจะรู้สึกตัวได้สบายสบายนูไปได้เรื่อยๆนะทําไปก็จะมีความเหมือนมีความเพิินๆเยอะๆนนะแต่ไม่ใช่เพลินแบบลมไหลนะแต่มันเหมือนมันก็เป็นจังหวะที่พอดีพอดีนะคล้ายๆเหมือนถ้าเราเคยเดินขึ้นเขาเนะ่ยเวลาถ้าเราจับจังหวะได้เดินขนาดไหนพอดีอมันจะขึ้นเขาได้เลยไม่ค่อเหนื่อยมากนะหรือถ้าเราเค ไม่เคยเดินขึ้นเขาเมือนเราขับรถขึ้นเขานะอบางทีเราก็จะดูว่าแบบมันควรจะเร่งขนาดไหนพอดีบางทีเร่งมากเครื่องก็ไม่มีแรงบางทีเบาเกินไปเครื่องก็ไม่ไหวนะมันจะพอดีแบบไหนนะเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวงเราเองมันพอดีแบบไหนเคื่องแบบไหนพอดีนะเราก็รู้ไปไม่พอดีเราก็รู้ว่ามันไม่พอดีนะ คือถ้าเรารู้สึกตัวแบบทั่วพร้อมรู้สึกตัวแบบรวมๆมันจะไม่รู้แต่กายนะแต่มันจะรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายส่วนไหนมันตึงมันเครียดนะมันเกรง็งอะไรเนงะี้ยเราก็จะเห็นเราก็จะคลายมันบางทีเราเดินจงกรมไปหน้าตาเรานะ นาตาเราแบบเพ่งจ้องนะเราก็จะเห็นนะหรือบางทีก็ยกมือไปหายใจไม่สะดวกนะเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นกายที่มันผิดปกติไปเราก็จะผอนคลายออกมารวทั้งที่จริงรู้สึกตัวนะก็จะเห็นใจด้วยจากที่เราทำเนี่ยเราทาด้วยความอยากไม่ เราทำด้วยความกลัวไม่ใช่หมอยากรู้อยากรู้เยอะๆคือกลัวมันคืคิดกลัวมันจะลงที่เรารู้สึกตัวเนี่ยขยันรู้สึกเนี่ยเพราะกลัวมันหลงหรือเปล่าหรือก็แค่รู้สึกเป็นขนาดไปเฉยเราก็จะเห็นตรเนี้นะเออบางคนเดินนะจริงจังปุ๊บๆุๆบนุ๊บปุ๊อะไร แารเอาความคิดมาจะเหยียบหัวมันต้องเลยะมันมันไม่ชอบความคิดเนี่ยแบบคิดมาปุ๊บเยียบปั๊บคิดปุ๊บเหยี๊ยบปั๊บเนี่ยมันทําด้วยความไม่ชอบที่มันปรุงแต่งใช่ไหมแต่ถ้าเราก็เดินไปคิดขึ้นมาก็แค่รู้ปุ๊บนะไม่ต้องมาเหยียบหัวมันนะเรารู้มันมันหายไปเองไม่ต้องไปคิดจะไปกดข่มมันนไปห้ามไปกลัวมันนั้นรู้สึกตัวนะ ก็ไม่ใช่เพื่ออยากจะรู้แล้วเขไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มันหลง <c oughs> รู้สึกตัวก็เพ็นแค่กายเคลื่อนรู้สึกหรือใจมันเคลื่อนเราก็รู้สึกแล้วรู้สึกตัวเพล่นเห็นกายมันเคลื่อนรู้สึกเห็นใจมันเคลื่อนรู้สึกหรือเห็นเห็นกายมันกระทบก็รู้สึกหรือมีสิ่งใดมากระทบใจก็แค่รู้สึกนี่ รู้สึกแบบเนี้ใจนะรู้สึกด้วยใจที่เป็นกลางกับทุกอารมณ์ไม่ว่าสิ่งที่เคลื่อนออกไปหรือสิ่งที่กระทบมามันจะดีหรือไม่ดีนะใจเป็นกลางคือตักแต่ว่ารู้รู้เฉยแต่ถ้าใจไม่เป็นกลางขึ้นมาเนะ่มันก็จะมีปรุงเปชอบปรุงไปไม่ชอบนะให้เรารู้ทันตอนนะั้นเวลาใจไม่เป็นกลาง ก็ตามรู้ใจที่ไม่เป็นการขึ้นมาใจก็จะกลับมารู้สึกตัวใหม่แต่ก็ไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวครั้งเดียวแล้วมันจะดีตลอดนะให้เห็นว่าธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งก็ดีหรือที่จริงความรู้สึกตัวนะก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันนะแต่เป็นฝ่ายผุ้สนธรรมชาติทุกอย่างมีสิ่งที่เสมอกันคือ อยู่ในกดของไตรลักษ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดำไปงินไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบังคับก็ไม่ได้มันจะคิดอะไรเราก็จะเห็นว่ามันคิดของมันเองแต่แต่ก่อนเรารู้สึกว่าเราเป็นคนคิดแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าจิตมันคิดของมันเองหรือจิตมันจะสงบมันก็สงบของมันเอง ตอนไหนอยากจะบังคับให้มันสงบนะเห็นไหมก็ไม่สงบแต่ถ้าเราไม่อยากจะให้มันสงบทำเล้นเร่นสบายมันสงบมันเองใช่ไหมเนี่ยไม่อยากคิดมันก็คิดของมันเองอยากจะคิดบางทีก็คิดไม่ออกเนี่ยเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะเห็นสภาวะทุกอย่างมันเป็นใจรักนะมันล้วนไม่เที่ยงมันล้วนบังคับไม่ได้ สภาวะคนนี้แหละมันมีความทุกข์บีพันเนาะหรือบางทีเราก็เห็นความโกรธที่มันแฝงบางคนก็ดูบางคนโกรธบ่อยๆรู้สึกไหมว่าการโกรธมันเป็นทุกข์กายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์แ ล, ล้วโรคเห็นไหมอยากได้มันเป็นทุกข์ใช่ไมไม่ว่าอยากอยากได้วัตถุสิ่งของก็เป็นทุกข์อยากจะได้สิ่งที่เป็นนามธรรม ก็เป็นทุกข์เนี่ยดูความทุกข์อย่านี้ก็ได้นะอกายก็สแสดงความทุกข์หรือเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาก็สแสดงความทุกข์แต่ที่ยากที่สุด น, นะเห็นว่าจิตโดยจิตธรรมดามันเป็นทุกข์นะี่มันจะเห็นยากมากแต่ที่เห็นเบื้องต้นมันจะเห็นจิตที่มีกิเลสมัน เ, เป็นทุกข์แต่เห็นจิตที่มันเฉยๆเป็นทุกข์นั่เห็นยากนั้นต้องเป็นขั้นพระหาน อย่าเพิ่งไปข้ามขั้นนะเอาดูดูตอนนี้ก็ได้ดูจิตที่มันมีกิเลสเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์จิตที่มันมีกิเลสมันไม่เป็นทุกข์ทางแกเนเทียมกันนะ่ะอืมเมื่อโกรธขึ้นมาเป็นทุกข์เมื่อหายโกรธก็ไม่ทุกข์เนี่ใช่ไหมเนี่ยไหมเมื่อให้อภัยเขาแล้วอ๋สบายเบาแน่คือเรียกว่าไม่ทุกขนะ์เมื่อยังอาฆาตอยู่ยังยึดอยู่มันเป็นทุกข์ หรือพูดง่ายเมื่อไหรที่ยึดเป็นทุกข์ปล่อยวางก็ไม่ทุกข์เราเคเห็นนะเห็นจิตมันเป็นแบบนี้เออมันก็อยู่ที่จิตนี่เองนี่เราก็ดูสภาวะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนที่มันตรงนี้แหละคือตัวตัวปัญญาคือเห็นตรงนี้นะอ่เราภาวนาไปเพื่อให้มันเกิดปัญญาเพราะว่ามันจะเห็นความจริงตรงนี้ะ ปัญญาไม่ใช่การคิดการปัญญาคือการเห็นเป็นความจริงนะอย่างแจ่มแจ้งะเนี่ยเราภาวนาไปเรื่อให้มันเห็นตรง น, นี้นะสติมันจะทําให้เราเห็นแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่เห็นดรอกนะมันเฉ็ดเขียดมันชิวชิวมันจมเข้าไปนะแต่เราก็ฝึกสติให้มันเห็นตรงนี้แหละ น, ะนี่คือภาวนาเนาะเราก็จะเห็น เห็นความจริงตัวนี้นะกะ็พูดคร่าวๆแบวนี้ก่อนนะให้พวกเราศึกษาแต่หลายคนก็ปฏิบัติทามามาพอสมควรแล้วนะก็พอได้เข้าใจพอได้เห็นบ้างก็ให้เราทำไปเรื่อยๆนะอย่าไปเคี่ยวจนรีบร้อนนะเกินไปนะอยากรู้ให้มันเร็วๆอยากนะทำให้มันจบๆนะ <c ười> คิดว่าทำจบแล้วจะไไม่ต้องทำละ จริงทักจบก็ทำเรื่อยเหมือนเดิมน่ะแต่ไม่ได้ทําเพื่อจะไปถึงตรงไหนนะที่จริงภาวนาไปจริงนะมันก็ที่จริงเราอยากจะบรรลุธรรมนะเราอยากจะพ้นทุกข์เพจริงเรายังค่องอยู่จิตมันยังคล่องยจิตมัยังไม่เต็มมันยังไม่จินมันก็เลยคิดว่าต้องมีอะไรมาให้มันเต็มมาอีก ต้องเอาสติมาเติมให้มันเต็มก็ดีต้องเอาปัญญามาเติมให้เต็มก็ดีหรือต้องเอาความสุขมาเติมให้เต็มก็ดีคล้ายๆเหมืนอนกับคนหิวเนาะ อ, อะไรก็ได้มันกินให้มันอิม่มแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอิ่มแล้วอะอะไรก็ไม่ไม่สนเยอะไหมถ้าเราอิ่มแล้วถ้าเราเต็มแล้วไม่แต่ความสุขเราก็ไม่อยากได้ ถ้าเราอิ่มแล้วเราก็แช่นะไม่แต่ความรู้ล้วก็ไม่มีก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรนะนี่ความรู้สึกที่มันมันเต็มมันอิ่มนะตัว น, นี้แหละคือสิ่งที่ก็ถือไม่ทุกับนะถ้าเมื่อไหร่ที่มันยังไม่เต็มไม่อิม่มมันก็เที่ยวสแสบหานะเที่ยวหาเที่ยวหาเที่ยวหาแต่ความรู้สึกตัวก็จะทาให้เราสัมผัสกับสภาวะที่มันเต็มมันอิม่ม ในปัจจุบันเนะี่ยอันา้ำโคตจะหลงไว้อีกไม่เป็นไรแต่ให้เราสัมผัสธราวะที่ในเพียงแค่เที่ยวขณะหนึ่งของชีวิตเราสมบูรณ์อยู่ในตัวอย่าไปคิดสแสดงหานิพพานในอันน้ำพตการนะหรือนิพพานที่ไม่มีทุกข์แล้วไม่มีกิเลสแล้วถ้าเราไปคิดสแสดงหาแต่นั้นะเราจะไม่พบนิพพานจริง แต่ถ้าเราสัมผัสกับสภาวะที่ปัจจุบันนะรู้สึกแค่ทีละขณะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอย่าไปอย่าไปคิดว่าเมื่อกี้เรารู้หรือเราหลงแล้วต่อไปเราต้องไม่หลงอีกอะไรนะั้นไปคิดหาเหตุผลทําไมถึงหลงทําไมทำไงถึงจะรู้ตลอดนะความคิดที่มันเบื่อที่อดีตอนาคตจะลืมปัจจุบันเอาแค่รู้สึกแค่ปัจจุบัน จบรู้สึกกายก็ได้รู้สึกใจก็ได้นรู้สิทธที่ปกติก็ได้รู้สิทธที่มันไม่ปกติก็ได้รู้สิเฉยสิ่งสำคัญคือรู้สิเฉยรู้สึกซือรู้ใจใจเป็นกลางนะแค่ตอนเนี้คือถ้าเราสัมผัสตอนนี้นะมันจะไม่ต้องไม่ได้อยากอะไรละไม่ได้แสดงอะไรละแค่สัมผัสแค่ปัจจุบัน มันจะสัมผั์ได้กับความความอิ่มนะความสุขใจความพอใจนะไม่ต้องแสดงหาอะไรนะนะทีละเราปฏิบททัติเพียงแค่ทีละขณะ <c oughs> อย่าไปคำนึงถึงอนาคตมากนะอดีตก็ปล่อยไปซนะทีละปัจจุบันขณะก็พอหนะลงไปแล้วไม่เป็นไรรู้ใหม่ อคิดไปก็ไม่เป็นไรกนะ็รู้ว่ามันคิดนะธรรมชาติมันแสดงความดีตรงนี้นะทําแบบสนุกสนุกนทาแบบสนุกสนุกนมีความสุขมีความพอใจในการกระทําเหตุเมื่อเรามีความพอใจในการกระทําเหตุแล้วนะผลเขาเกิดของเขาเองนะผลไม่ใช่เกิดเพราะความอยากของเรานะผลมันเกิดเพราะการทําเหตุที่ถูกนะ ผลก็ถูกนะถ้าทำเหตุผิดนะผลก็ผิดนะนะนะักให้เราก็ตั้งใจทำแบบเล่นๆทำเรื่อยๆทำแบบคอนคายนะมีความพอใจในการทำนะก็ฝากไว้กันะ